เราจะเดินพรยากโยมทั้งหลายนี่ก็ผ่านปีใหม่มา4ี่ห้าวันแล้วแล้วพวกเราเจออะไรใหม่ๆหม่ไห ม, มไม่มีนะ วันที่สามสิบเอ็ดท่านมากับวันที่หนึ่งมการารู้สึกว่าเหมือนกันทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยพราฉะนั้นปีใหม่ เป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติขึ้นมาเองเฉยๆหรอกวันเดือนปีเขาไม่ได้รู้เรื่องพอเราสมมุติว่าวันที่หนึ่งมกราเป็นวันปีใหม่ก็เลยมาสนุกเฮฮากันวันนี้เวลามันเป็นสิ่งที่ผ่านไปการผ่านไปของเวลา มันบุกบอกถึงอายุไขของเราผ่านไปด้วยนะวันนี้ก็รู้สึกยังอยู่ยังมีลมหายใจอยู่แต่ก็เกี่ยลงไปปีหนึ่งแล้วนะ <Okay. S 1> ถ้าอยู่ต่อได้อีกสักสิบปีอะไรจะเกิดขึ้นสิบปียี่สิบปีนี่คงเดินไม่ได้แล้วมันเป็น เวลาที่ผ่านไปเพราะฉะนั้นแต่ละปีแต่ละปีพวกเราก็สนุกเฮฮากับความสมมุติของมนุษย์นี่แหละวันที่หนึ่งมกราเราจะไปค้นหาความสุขอยู่กับความสนุกสนานอย่าได้คิดเลยว่าจะเจอฟ้อนลำกันทั้งวันข้ามมา พอเลิกแล้วไม่ได้อะไรสักอย่างพวกเราก็หาความสุขกันทุกคนแต่หาไม่ถูกจุดไงหาไม่ถูกจุดเพราะฉะนั้นพวกเราเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภบพบหลายชาตินะกรรมมันจำเนกแจกจ่ายออกไป แต่ละพภประชาติแต่ชาตินี้พวกเราทั้งหลายก็มาถึงเมืองมนุษย์กันแล้วเนี่ยการเวียนบ่ายตายเกิดตายเกิดตายเกิดแต่ละคนไปนั่นแต่ละคนไปพบนี้แจกจำเนกแจกจ่ายไปแต่วันนี้พวกเรามาโผล่ขึ้นเมืองมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากที่สุดที่จะได้เกิดแต่วันนี้มาถึงแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่ายากที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือยากที่สุดที่จะเจอาศาสนาแต่วันนี้เจอแล้วเจอแล้ว ยากที่สุดในพระพุทธศาสนาคือผู้ที่จะมาบรรยายสาธยายให้พวกเราเข้าอกเข้าใจก็ยากแต่วันนี้เจอแล้วครบถ้วนที่พระพุทธเจ้าบอกว่ายากพวกเรากลายเป็นง่ายกันทั้งนั้นนะเดี๋ยวนี้นะที้ลงไปที้ลงไปแล้วเหลืออยู่ที่ไหนรู้ไหม เหลืออยู่ที่ไหนเหลืออยู่ที่พวกคุณเองไม่ใช่เกิดได้ง่ายๆเมืองมนุษย์ไม่ใช่เกิดได้ง่ายๆศาสนาก็ไม่ใช่ว่าจะเจอง่ายๆเจอแล้วจะมีผู้บรรยายสาธยายให้เข้าอกเข้าใจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่วันนี้เรื่องยากทั้งหมดมาเป็นของพวกเราแล้ว เราจะเอาอย่างไรกันพวกเรามาเที่ยวกันเฉยๆในเดี๋ยวนี้นะเขาให้เวลาจำกัดมาด้วยให้พวกเรานึกถึงคนที่ตายไปแล้วเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสิ่งของเขาของเงินทองนะหยิบช่วยอะไรไม่ได้สักอย่างเลย หรือว่าพวกเรากำลังรอใครอยู่ใครบอกให้พวกท่านรอไม่มีนะวัตถุสิ่งของข้าวของเงินทองที่เต็มอยู่โลกเนี่ยไม่มีใครสามารถหยิบไปไหนได้เขาก็จะอยู่นี่แหละ พวกเรามาเที่ยวชมตีกันแย่งกันด่ากันเสร็จสุดท้ายก็เอากรมไปของไม่ได้สิ่งของไม่ได้ไม่ใช่มาง่ายๆนะเมืองมนุษย์พวกเราอาตมาใ้สงสารพวกคุณมากที่สุดในระยะที่มีาศาสนาอยู่นี่ ไม่รู้ว่าพวกพวกเราคิดอะไรกันอยู่ไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรกันอยู่ขอให้พวกเรานึกถึงบิดาผู้เป็นพ่อของเราราชการที่เก้า ราชการที่ก้าวนี้เป็นผู้เป็นผู้มาให้ตั้งแต่วันเกิดวันประสูตะให้จนถึงวันสวรรคตพระองค์ท่านไม่ได้มาเอาอะไรเลยแต่สุดท้ายพระองค์ท่านจะเป็นผู้ที่ได้มากที่สุดเพราะเรา มันสมกับคำพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้น่ะคนไหนจะเอาคนไหนมีแต่จะเอาคนนั้นจะไม่ได้คนไหนมีตั้งแต่ให้คนนั้นจะเป็นผู้ได้ตลอดการสั่งสมบารมีไม่ใชสส่สั่งสมเพื่อจะเอาน่ะ สิ่งที่ถูกต้องที่สุดคือให้ให้คือสร้างบารมีไม่ใช่ให้แต่เงินแต่ทองไม่ใช่ให้แต่วัตถุสิ่งของนะสิ่งที่ไม่ได้เสียเงินเสียทองก็คือวิชาแขนงต่างๆความรู้ที่เรามีบุญกุศลขนไกวโดยเฉพาะการรักษาสินเจริญสมาธิไม่ได้ลงทุนอะไรสักสลึงเลย แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีบุญที่เป็นคุณค่ามากที่สุดไม่รู้พวกเราคิดอะไรกันอยู่อีกสักสิบปียี่สิบปีก็เดินไม่ได้แล้วถ้ายังอยู่นะถ้ายังมีชีวิตอยู่นี่เดินไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นอาตมามาเทศตั้งหลายครั้งนะทีทีโอที OT, นี่ก็ฝากวิธีทำควบคู่กับจิตวัตรประจำวันไปด้วยเดานี้สงสารพวกคุณมากแต่พวกคุณไม่สงสารตัวเองเท่ากับเราสงสารพวกคุณเลยถ้าพวกคุณสงสารตัวเองเหมือนอย่างอาตมารักพวกคุณเนี่ย พาตัวเองกําหนดจิตใจอยู่ตลอดป่านนี้ขนาดนี้เลยพรมมาโลกไปแล้วจะเข้าสู่พรันิพาณไปแล้วสองปีที่พวกเราไม่ได้เจอกันเนชีวิตอันนั้นล่องหนไปแล้วเข้าปีดเมกไปแล้วเลยพรมมาโลกไปแล้วจะเข้าสู่พระนิพานแล้วตาธรรมนะพวกเรา พวกเราคิดอะไรกันอยู่อาจะมาตอบแทนก็ได้นะไม่ได้อะไรสักอย่างวันสุดท้ายอาจะมาตอบแทนก็ได้วันสุดท้ายหรือว่าวินาทีสุดท้ายจะออกจากเมืองมนุษย์ท่านไม่ได้อะไรสักอย่างท่านอย่าคิดว่าจะเอานั้นเอานี้เลย พ่อของเราพูดอยู่ตลอดเวลาว่าพอเพียงนะลูกหลานเพียงพอนะลูกหลานเวลาที่เหลือให้บำรุงรักษาใจบำรุงรักษาใจก็คือรักษาตัวเองรักษาตัวของเรานี่แหละจิตใจเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน จิตใจเป็นสิ่งที่โครงแคล่วในอารมณ์จิตใจเป็นสิ่งที่รักษายากแต่ถ้ารักษาเขาได้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองแต่พวกเราทำยังไงอาตมาบอกแล้วนะว่ากำหนดจิตกำหนด จิตดึงเข้ามาตั้งไว้ที่ฐานให้เป็นความรู้สึกตัวนี้แหละคือจิตใจจิตใจจริงๆเขาอยู่ในร่างกายเราเขาอยู่ในร่างกายเราแต่ด้วยอำนาจของตัณหาอาวิชาอุปอาทานผลักดันเขาอยู่ตลอดเวลา สันดันไปไหนให้ไปเสียบอารมณ์ให้ไปทำงานให้เขาตามที่เขาต้องการคือเกลียดคนนั้นโกรธคนนี้ไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้ชอบคนนั้นชอบคนนี้นี่คืออาการของจิตที่ถูกตันหาอาบิชาส่งไปทำงาน ไปรักไปชอบไปเกลียดไปโกรธไปพยาบาทอาฆาตจองเวรนี่คืออำนาจของตัณหาวิชาอุปาทานพอมองเห็นไหมเขาส่งออจิตดวงเนี้ยออกไปทำงานพอทำงานแล้วผลงานตัวเนี้ยนอกจากจะเป็นกรรม ของพวกเราแล้วยังเป็นเครื่องหลเลี้ยงตันหาอาวิชาอุปทานให้มีพลังเก่กล้าขึ้นไปอีกถ้าเราปล่อยให้เขาทำงานอยู่อย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าพวกเราพากันเลี้ยงกิเลสโดยเฉพาะน ะ, สะเสนอสนอง กัรหาให้กิเลส100ร้อยเปอร์เ็นลักษณะของจิตไม่พอใจกับใครคุณไม่ต้องว่าคุณเป็นไม่เป็นผู้ไม่พอใจความไม่พอใจยกให้จิตไปเราควรตั้งใจเข้าไปศึกษาว่าอันนี้คืออะไร เวลาจิตของเรากโกรธคนใดคนหนึ่งคุณอย่าพึ่งกโกรธปล่อยให้จิตทําหน้าที่ไปก่อนเราตั้งสติดีๆแล้วเข้าไปศึกษาว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือโลกเขาเป็นมาตั้งนานแล้วพวกเราน่าจะเข้าไปศึกษาดูว่าคืออะไรอันนี้คืออะไร พอเข้าใจไหมถ้าเราเข้าไปศึกษาเราก็จะเห็นความจริงของเขาความเป็นธรรมชาติของเขาน่ะทำไมเราชอบคนนี้เข้าไปศึกษาดูทำไมเราไม่ชอบคนนี้เข้าไปศึกษาดูอย่าปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติทั้งจิตแล้วก็พูดเป็นเจ้าของจิตผู้เป็นเจ้าของจิตนี้ต้องตั้งสติเข้าไป ศึกษาว่าคืออะไรอย่าเพิ่งไปให้คะแนนเราก็จะเห็นได้ชัดชัดชัดชัดออกมาอันนี้พวกเราปล่อยไปตามธรรมชาติเขาโกรธกจติตดวงนี้เขาไปรับอารมณ์ที่เป็นความโกรธมาผู้เป็นเจ้าของเนี่ยไม่ได้ตั้งสติเข้าไปดูเลยว่าอะไรคืออะไรก็พร้อมที่จะโกรธกับกจิตของตัวเองทันที มันก็เลยไม่มีใครรู้ไม่มีใครศึกษาไปเลยเพราะฉะนั้นธรรมชาติของจิตเนี่ยเขามีหน้าที่สรอารมณ์เขามักเขาเป็นนักจรจัดเขาไม่ได้อยู่นี่จิตใจเขาเป็นดวงจิตวิญญาณอยู่ในร่างกายแต่ด้วยอำนาจผลักดันของตันหาอวิชชาอุปาทาน เขาพลักดันให้จิตดวงนี้ส่งกระแสออกไปเสพอารมณ์อยู่ข้างนอกซึ่งตัวจิตจริงๆนี้ออกไปเสพอารมณ์อยู่ข้างนอกเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเขาก็เสพไปทุกเรื่องเสพไปทุกเรื่องดีก็เสพชั่วกว็เสพการเสพอารมณ์แต่ละวันของจิต เราสรุปไม่ได้เลยว่ากี่เรื่องเรื่องหนึ่งเขาเสียกี่นาทีมันไม่เท่ากันนะมันไม่เท่ากันเขาเสียไปเสีไปเสีไปแต่พอเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าเราปัจจุบันเขาก็ทิ้งอารมณ์ทั้งหมด มาสู่เหตุการณ์สถานการณ์นั้นๆเลยอันนี้คือธรรมชาติของเขานะถ้าพวกคุณไม่เข้าไปรักษาตรงนี้เข้าไปรู้ตรงนี้พวกคุณจะไม่รู้จักตัวเองเลยเราจึงให้วิธีบำรุงรักษาจิตใจมาให้พวกคุณควบคู่กับการ พวบคู่กับจิตจวัดประจำวันขอให้ได้วันละห้าสิบครั้งร้อยครั้งเถอะจิตดวงนี้ก็จะเป็นไปพวกเรามาเที่ยวเดี๋ยวนี้มาเที่ยวในเมืองมนุษย์สักแค่ละระยะหนึ่งก็จะไปแต่การมากับการไปรู้สึกว่ามันต่างกันเสเหลือเกินมาก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย คลอดออกจากท้องแม่มาแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยความรู้ความสามารถอะไรไม่มีสักอย่างมาขนควายหาเอาอยู่ในเมืองมนุษย์อีกเนี่ยพอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้เป็นเด็กมาไม่รู้จาอะไรไม่ได้สักอย่างเดินก็ไม่เป็นพูดก็ไม่เป็นดื่มกินอะไรไม่เป็นสักอย่าง มาฝึกประหัดเอาแต่การไปนี้ทุเลศจริงๆนะอายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบยังไม่ตายแต่เหมือนคนตายแล้วมันทุเลศจริงๆนะเท่าทึงบอกว่า การเป็นมนุษย์ก็เกิดขึ้นมาแล้วาศาสนาก็เจอแล้วเขาบอกได้เลยว่าชาตินี้เป็นชาติพิเศษของพวกเราจะเลือกเกิดที่ไหนไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ใช่ปัญหาเลยอยากไปสวรร์พระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาเลยอยากไปพรหมโลกก็ไม่ใช่ปัญหาเลย อยากไปพระนิพพานก็ไม่ใช่ปัญหาเลยแต่พวกเราทำอะไรกันอยู่ไม่ค่อยละมัดระวังตัวเองเลยนะปล่อยตัวเองไว้ตามยะถากรรมพวกคุณมาถือการอิ่มปากอิ่มท้องมามีความสุขถือการหลับการนอนมามีความสุขถือว่า สิ่งนั้นสิ่งนี้อำนวยความสะดวกให้มีความสุขถ้าใครถือลักษณะนี้จะบอกให้เลยว่าชีวิตนั้นขาดทุนการสร้างบุญสร้างกุศลคือทรัพย์สินหลังการตายพวกเรามีมากขนาดไหนแล้วชีวิตอันเนี้ยถ้าร่างกายจบลงเขาอยู่ในเมืองมนุษย์ไม่ได้ ออกจากเมืองมนุษย์ทันทีแล้วคนที่ว่าใช่ไม่ใช่แล้วคนที่คิดว่าคนที่เราคิดว่าคนคนนี้คือคนของเราก็จะไปจบกันวันนั้นหละแล้วพวกคุณพวกคุณคิดกันยังไงเดี๋ยวนี้อ่ะพอมาถึงตรงนี้ก็เลี้ยงกันไปด้วยศีลด้วยธรรมอ่ะ แต่สร้างบุญสร้างกุศลนี้ท้อถอยไม่ได้เพราะบุญกุศลเป็นทรัพย์สินหลังการตายคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เขาสร้างบุญมาพอที่จะได้เกิดบุญที่จะมาอุดหนุนจุนเจือดได้ความสะดวกสบายจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้สร้างมาค้นคว้หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ ทั้งๆ ท, ที่สิ่งนั้นมีอยู่พวกเราก็ถือว่าสร้างบุญมาพอสมควรบางคนหาแทบตายก็ไม่ได้นะสิ่งที่เรามีง่ายๆสร้างบุญมาพอที่จะได้เกิดเท่านั้นไม่ได้สร้างบุญปูดหนุนจุนเจือตัวเองให้มีความสะดวกสบายในเมืองมนุษย์เลย พวกเราก็เหมือนกันถึงจะสร้างบุญมาถึงขนาดนั้นแต่ถ้าไม่ได้สร้างเผื่อไว้พบหน้าชาติหน้าไม่รู้ว่าพวกเราจะไปไหนกันจะไปไหนกันคำว่าบุญบุญหรือว่าอริยทรัพย์หรือว่าบุญญาวาสนาบารมีเนี่ย สร้างได้เฉพาะเมืองมนุษย์ที่เดียวพวกเราทำอะไรกันอยู่อ้าวทาอะไรกันอยู่มันไม่แน่นอนนะแต่จิตดวงนี้ไม่ต้องไม่ต้องเป็นหนักใจกับเขาเรื่องหละว่าเขาจะไปไหนเขาไปได้ทั้งนั้นลหละเพราะเขาเกิดเป็นหมาก็ได้ เกิดเป็นเป็ดเป็นไก่ก็ได้บุญไม่พอเขาไม่ใช่ปัญหาเลยจิตเขาจะไปมาเป็นหมาเป็นแมวก็ได้ที่นี้เราเรารู้แล้วว่าจิตดวงนี้คือเราจริงๆออกจากเมืองมนุษย์จะไปเป็นหมาเป็นแมวนี้พอใจไหมมันเป็นไปได้นะ มันเป็นไปได้เพระพุทธเจ้าอุท่านกับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะว่าโอ้น่าสงสารมนุษย์จริงๆนะเส <c oughs> ียดายเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเอง <c oughs> เวลาตายไปลงในอบายยูมิมมากที่สุด <c oughs> อ้าวถ้าคํำนี้ตราสออกมาแล้ว น่าคิดนะจะไปพบภูมิที่ดีๆก็เราสร้างให้กับตัวเองนะเดี๋ยวนี้นะชาติต่อไปเนี่ยอยา่าเพิ่งไปโทษใครจะไปพบภูมิที่ไม่ดีเราก็สร้างให้กับตัวเองเองนะ มันก็จะมีความจาอยู่นิดหนึ่งนะออกไปสมมติว่าใครจะได้ไปสวรรค์มันก็จะมีความจาอยู่นิดหนึ่งพออุบัติขึ้นเป็นเทวะบุตรเทวดาแล้วมือกระดุมแล้วพวกที่จะไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวก็เหมือนกันมันก็จะจาได้นิดเดียวเท่านั้น เข้าร่างหมูร่างหมาแล้วก็คือจบเลยลืมไปแล้วแต่ครูบาอาจารย์ที่มีฌานมียาณท่านรู้นะว่าหมาตัวนี้คือคนคนนั้นตั้งแต่เขายังเป็นมนุษย์อยู่แต่พวกเราเป็นตัวเกิดจริงๆก็ยังไม่รู้เลยมกวนมาอาจจะมาเกิดในเมืองมนุษย์อีกก็ใช้เวลานาน ทีนี้พวกเราทำยังไงอย่าไปตีไปด่ากันเถอะปีใหม่เนี่ยปีเก่าเราโชคโจนมาพอแล้วด่าก็ดาก่าโ ก, ก, กรธก็โกรธเกลียดก็เกลียดอิจฉากันเตรียมที่มาแล้วปีนี้ขอเถอะอ่ะขอขออย่าอย่าทำสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้กับตัวเอง พยายามรักษาอยู่ตลอดก่อนจะคิดจะพูดจะทําอะไรลงไปแต่ละอย่างคิดเสีก่อนว่าเอออันนี้เป็นมงคลหรือเป็นอั ป, ปมงคลถ้าเป็นอั ป, ปมงคลนะหยุดเลยไม่ต้องคิดไม่คิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทําควบคู่กับการทํางานควบคู่กับการกําหนดจิต ชีวิตนั้นก็จะเป็นมงคลตลอดเอาอย่างนี้ไหมสร้างความเป็นมงคลให้กับตัวเองไม่ต้องไปขอพอรอ ง, งนั้นไม่ต้องไปขอพอรอ ง, งนี้เรานี่เราจะเป็นผู้ให้พรเราเองด้วยการทำความดีคิดดีพูดดีเดี่ย พรกับพระมันเป็นอีกส่วนหนึ่งนะเราทำดีให้กับตัวเองก็เป็นพรให้ตัวเองจิตใจเขาส่งกระแสด้วยการบังคับออกไปไปเสพแล้วทีนี้มันได้บาปได้กรรมส่วนหนึ่งก็เอาไปบำรุงบำเร ตัณหาบิชาอุปาทานถ้าเขามีพลังมากพขก็จะส่งเราออกอยู่เรื่อยๆ อ, อ, อย่างที่เป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นอาตมาบอกให้พวกเรากำหนดจิตฝึกกำหนดจิตไม่รู้ว่าพวกเราทำกันไปถึงไหนนะทำกันไปถึงไหน เราจะมาหาความสุขกับวัตถุสิ่งของข้าวของเงินทองหรือว่าหาความสุขกับบุคคลคนนั้นคนนี้อย่าได้คิดเลยว่าพวกเราจะเจออย่าได้คิดเลยความสุขจากวัตถุสิ่งของจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้พระพุทธเจา้าเรียกว่าอามิสสุข อาามัก ส, สุขนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนพอได้มาความสุขก็มาพร้อมแต่มาได้นิดเดียวความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดตลอดตลอดตลอดตลอดทีนี้ความสุขที่แท้จริงต้องมาค้นให้ใจมีที่เดียว คนนอกใจทั่ววัตตจากวัตตะบนอันนี้พวกท่านจะไม่มีวันเจอเลยนะเพราะฉะนั้นศาสนาเป็นศูนย์รวมแห่งความดีทุกระดับชั้นแต่ต้องเกี่ยวข้องกับจิตใจเป็นสิ่งสําคัญจิตใจจะเข้าหาความสุขที่แท้จริงได้ต้องเกี่ยวข้องกับ ความเป็นพุท ธ, ธะถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพุท ธ, ธะแล้วเนี่ยท่านจะได้ท่านไม่มีวันที่จะเจอได้เดี๋ยวนี้พวกเรายืนอยู่ปากขุมทรัพย์มหาศาลนะแต่พวกคุณไม่รู้วิธีที่จะเอา เพราะคุณไม่รู้วิธีที่จะเอาความสุขที่แท้จริงมาค้นที่ใจที่เดียวการค้นไม่ได้ใช้จอบใช้เสียมใช้มีดใช้อะไรสักอย่างเลยใช้สติปัญญาเท่านั้นใช้สติปัญญาเท่านั้นแต่พวกเราไม่ทำกันนะเดี๋ยวนี้นะ พวกเราไม่ค่อยทํากันพวกเราเจอศาสนาแบบเต็มๆแต่กําลังจะเจอแบบผ่านไปเฉยๆแล้วเดี๋ยวนี้นะอายุมาถึงขนาดพวกเรานี้ถือว่ากําลังจะผ่านแล้วน ะ, ะเจอทําไมลนะ่ะเจอแบบผ่านไปเฉยๆเจอทําไมบางคนได เราก็อาจจะได้ยินนะสาธุขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาทุกภพทุกชาติเทิดเจอทาไมล่ะเจอที่ไม่ได้เอาอะไรนี่เจอทาไมเจอมันเจอต้องเจอลักษณะหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเจอศาสนาทนี่ขุดเลยนะอันนี้คืออะไรหรอ ถางเข้าไปขุดเข้าไปเลยสุดท้ายไปเจอของดีสินสมาธิปัญญาเอาเจอของดีหลวงปู่มั่นก็ดึงออกมาเลยดึงออกมาแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติตามสุดท้ายหลวงปู่บ้านจบพวกเรานี่ยเดินอ้อมไปอ้อมมาอยู่นะนเดี๋ยวที่ไหจะเอาก็ไม่เอานี่มันอะไรเกิดขึ้นนี่ เดินบกไปวนมาอยู่เนี่ยองนั้นเทศก็เห่ไปองนี้เทศก็เหไ่เหไปเห่ไปเตอละครั้งไม่ได้อะไรสักอย่างอา้าอันนี้คือคือไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องให้พวกเรากำหนดเข้าไปสิความเป็นชีวิตแก่นแท้ของความเป็นชีวิตคือจิตใจภพชาติ เป็นส่วนประกอบชั่วระยะระยะเท่านั้นนะ่ะเดี๋ยวนี้พบชาติของมนุษย์ประกอบกับความเป็นชีวิตยอยู่ถ้าความเป็นมนุษย์ตายไปก็คือจบลงแล้วมนุษย์ความเป็นชีวิตไม่จบความเป็นชีวิตก็คือจิตอันนั้นละ่ะเขาไม่จบเขาจะไปต่อแต่มันน่ากลัวตรงที่ว่าไม่มีจุดหมายปลายทาง ไม่มีจุดจบไม่มีจุดจบเลยเราถึงมาสงสารพวกคุณว่าพวกคุณรออะไรอะพวกคุณรออะไรทั้งที่ทั้งทั้งที่สติก็มีปัญญาก็มีจิตก็มีโควิดไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยกำหนดสติ เป็นความรู้สึกอยู่ตลอดไม่ได้เกี่ยวข้องกับโควิดเลยเพราะเราทำอะไรกันอยู่ก็ยังก็ยังงงนะเดนี้น่ะงงมากความรู้สึกเราตัดอารมณ์จากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาอยู่กับความรู้สึก นั้นคือจิตในจิตนะอาการนี้คือจิตในจิตจิตในจิตนี้มันจัดเข้าสู่สติปัฏฐานสีอ่อ่ะสติปัฏฐานสี่เนี่ยอาจารมาอยากจะให้พวกคุณสร้างจิตในจิตให้มีความชํชนานิชํานาญถึงก้าวไปหาว่ากายในกายเอ่ะ จิตในจิตนี้พระพุทธเจ้ามันหยาดไว้นะบางคนก็เจ็ดวันสําเร็จบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีลักษณะการอยู่จิตในจิตก็คือความรู้สึกความรู้สึกนี่แหละคือจิตในจิตที่อาตมาสอนอยู่แต่ ใครไม่เข้าใจความรู้สึกบ้างนี่ถ้าไม่เข้าใจจริงๆเขาไม่ไปนะ่ะเขาไม่เป็นไปนะความรู้สึกระยะที่เรากำหนดเราไม่ต้องเป็นนึกคิดอะไรว่าได้อะไรเสียอะไรกำหนดควบคู่กับการงานไปเรื่อยๆ คือจิตนี้เขาไม่มีเพศไม่มีวัยนะเขาสามารถที่จะสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้ทุกดวงพวกเราการกั้นเขาหนึ่งด้วยความไม่รู้เฉยๆนะไม่รู้ยังไม่ได้ศึกษาด้วยสองคือการประพฤติปฏิบัติไม่พอมันก็เป็นไปไม่ได้นะต้องกําหนดให้ได้จุดของเขาจริงๆ เหมือนปั๊มน้ำเราเนี่นะ่ะปั๊มน้ำเราตั้งสุญญากาศไหมเนี่ยถ้าเขาขึ้นได้สุญญากาศเขาจะตัดโชกเลยนะเขาจะตัดโชกเลยจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยๆื่อยๆความชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยเขาจะตัดโชกเลย จิตใจเดียวนี้เขาช่วยตัวของเขาไม่ได้เลยเขารอผู้เป็นเจ้าของเขาไปช่วยตัณหาอาวิชชาอุปทานนะ่ผลักดันให้เขาเสพอารมณ์อยู่ตลอดทั้งวันยกเว้นเวลาหลับถ้าเราไม่ใช้สติเข้าไปหยุดเขาไม่มีเขาไม่สามารถที่จะหยุดตัวเองได้เขาไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองออกมาได้ จุดนี้ยเราต้องเข้าไปช่วยเขาเองถึงเกิดการมีคาําว่าภาวนาเกิดขึ้นภาวนาก็คือกําหนดจิตนี่แหละกําหนดจิตเพื่อจะให้จิตหยุดเสพอารมณ์หยุดเสพอารมณ์ยังไม่พอไหนะยังดึงเข้ามาตั้งไว้ที่ฐานตั้งไว้ที่ฐานยังไม่พอยังทําให้เป็นความรู้สึก พอเข้าใจไหมหนึ่งดับอารมณ์สองดึงมาตั้งไว้ที่ฐานสามทำให้เป็นความรู้สึกนีสมบูรณ์มากนีสมบูรณ์มากการปฏิบัติแต่ขอให้ได้บ่อยบ่อยบ่อยแต่ละครั้งให้ได้นา น, น, าน คล้ายๆกับว่าเราสร้างบ้านใหม่ให้กับจิตไม่ต้องออาไปเสพอารมณ์แล้วนะบ้านใหม่ของเธออยู่นี่ดึงเขาเข้ามาอยู่บ้านใหม่ตลอดดึงเขาเข้ามาอยู่บ้านใหม่ตลอดนี่บ้านใหม่ของคุณพยายามแนะนำเขาอยู่ตลอดเวลาอย่าออกไปเธอออกไปนะมันเต็มไปด้วยโลคโกรธหลงอิจฉาพระยาบาทมันไม่ได้ดีอะไรหรอก ไปเอาโลบเอาโกรธเอาหลงอิจฉาพระยาบาทอาฆาตจองเวรมีแต่โทษทั้งนั้นสอนเขาแล้วก็ดึงเขามาไว้ฐานที่ตั้งคือบ้านใหม่ของคุณคุณอยู่ปราศจากอารมณ์เหล่านั้นเถอะคุณจะสบายอันนี้คืออุบายนะอันนี้คืออุบายมาอยู่บ้านใหม่พอเราดึงมาอยู่เรื่อยเรื่อเื่อยื่อย ความสบายของเขาก็เกิดขึ้นเขาก็ไม่อยากออกไปแล้วติตก็มีพลังขึ้นพลังขึ้นพลังขึ้นเขาก็จะควบคุมกันเองรักษากันเองด้วยสติที่ฝึกมาด้วยจิตที่ถูกบังคับเข้ามาอยู่เรื่อยๆพวกเรานะแต่งเนื้อแต่งตัวดีแต่แต่งใจไม่มีเลย หน้าร้อนเขาก็ใส่ชุดเดียวนั่นละหน้าหนาวเขาก็ใส่ชุดเดียวนั่นละ่ะหน้าฝนหน้าลมหน้าไหนเขาก็ชุดเดียวนั่นละร่างกายนี้ตู้เสื้อผ้าไม่มีที่จะใส่แล้วมัดแก่งทำไมอันนี้นะให้พอเขาเข้าวัดเข้าว่าได้ไม่ละอายฝนเสื้อตัวละห้าบาทสิบบาท พอห่อร่างกายไว้ได้ก็อพอแล้วเบอรออะไรมากมายจิตใจนั่นแหะที่มันเจ็บสาเร็จเป็นพระอระหันได้จิตใจนั่นแหะมันเป็นสิ่งที่จะพาเราเข้าสู่พระนิพพานได้ทำไมไม่พิถีพิถันในการรักษามารักษาของตายมารักษาของเน่าหลวงปู่หลวงเป็นวาอย่างนี้นะของเน่าของ ตายนะนี่นะของอยู่กับข้าวสุปลาไตเานี่ยมันมันไม่เที่ยงมันว่าอย่างเงี้ยนะหลวงปู่หลวงนะ่ะพวกเราก็มาประพบประงมกันอยู่เนี่ยรักษาให้ดีมากเลยส่วนด้านด้านจิตใจนะปล่อยให้เขาอยู่ตามยถากรรมระวังนะถ้าใครเป็นลักษณะนี้ชีวิตนั้นจะขาดทุนนะ ออกจากเมืองมนุษย์ไปแล้วหมดสิทธิ์ที่จะแก้ไขอะไรทุกอย่างแล้วนะเดี๋ยวนี้ยังกลับได้กลับตัวได้ไม่พออะไรก็ให้คิดไม่พออะไรก็ให้ทำสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ใครให้ทานมากเกิดขึ้นมาก็จะมีวัตถุสิ่งของข้าวของเงินทอง มีเพื่อนฝูงที่ดีๆมีชาติตระกูลเกิดที่ดีๆใครรักษาศีลมากเกิดขึ้นมาเขาก็จะให้ผลทางถ้าเป็นผู้ชายก็หลอถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยถ้าจเจริญสมาธิเยอะเขาก็จะให้ผลทางสติปัญญาอันนี้เป็นถ้าพูดสามอย่างนี้ออกไปเทียบกับทุกคนได้เลยว่าขาดอะไร ให้รีบไปเติมเสียขาดอะไรการให้ทานคือเสนอสนองให้พวกเรามีวัตถุสิ่งของข้าของเงินทองรักษาศีลเกิดเป็นชายหล่อเกิดเป็นหญิงสวยเจริญสมาธิเป็นผู้มีสติปัญญาถ้าบอกบุญอยู่เรื่อ ย, อยบอกบุญวัดนั้นมี บุญอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามีคนมาทําบุญร่วมกับเรานั้นคือบริวารเพื่อนฝูงที่ซื่อสัตย์ที่สุดอันนั้นเป็นบริบาลเพื่อนฝูงที่ซื่อสัตย์ที่สุดเพราะฉะนั้นมันมีเวลาน้อยมีเวลาน้อยถ้ามีเวลาสักครึ่งหกชั่วโมงเนี่ย วันนี้ให้เต็มที่เลยวันนี้นะถ้ามีละมีเวลาสักหกชั่วโมงนี้จะนั่งสามชั่วโมงแล้วจะมาสรุปให้สามชั่วโมงถ้ายังไม่เข้าใจเราไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วเพราะฉะนั้นให้เราให้เรากลับใจเสดตั้งแต่วันนี้ไปละไปรักษาใจ ไปรักษาใจเราไม่เคยบำรุงรักษาใจกันเลยไม่เคยบำรุงรักษาจิตใจกันเลยการสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ร่างกายอันนี้มันไม่รู้เรื่องนะมันไปสำเร็จที่จิตใจน่นนะการที่จะไปพระนิพพานร่างกายอันนี้ก็ไม่ได้ไปด้วยเขาเผาทิ้งจิตใจ ที่บริสุทธิ์มันถึงจะไปได้เพราะฉะนั้นก่อนออกจากเมืองมนุษย์ให้พวกเราสะสมบุญให้มากๆอย่าไปหวังคนนั้นอย่าไปหวังคนนี้ตรงนั้นพึ่งใครไม่ได้แล้วละ่ะถ้าเราลักษณะออกจากเมืองมนุษย์ไปลูกหลานเขาไม่ได้ไปด้วยสามีภรรยาเขาไม่ได้ไปด้วย ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เขาไม่ได้ไปด้วยชีวิตที่เหลืออยู่เนี้ยถ้าพวกเราไม่ตั้งใจสร้างคุณงามความดีถ้ามันตายลงเมื่อไหร่แล้วขาดทุนเลยนะที่บอกให้ทำอยู่เนี้ยคือเป็นเพื่อนที่ดีเนอะ ออกจากเมืองมนุษย์ไปเขาไม่ได้ถามหาเงินไม่ได้ถามหารถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ไม่ได้ถามหาโทรศัพท์อย่างนั้นอย่างนี้เขาถามหาบุญอย่างเดียวบุญอย่างเดียวถ้าไม่มีบุญเสียอย่างเดียวเนี่ยโอ้ตายเลยหมาก็จะได้เป็นหมูก็จะได้เป็นแมวก็จะได้เป็นดีไม่ดีไปเป็นฉลามอยู่ก้นทะเลน่ะ เนี่ยเราเป็นห่วงพวกคุณตรงนี้พวกคุณมาเนี่ยร้อนแล้วแต่เกรดดีๆทั้งนั้นมีความรู้มีความสามารถทํางานในตําแหน่งแต่ออกจากเมืองมนุษย์ไปจะไปเป็นอีกเกรดหนึ่งนี่โหใครจะช่วยได้ลนะ่ะเอาใครจะช่วยได้ลองมองวันสุดท้ายของตัวเองสักหน่อยอ่ะวันสุดท้ายของตัวเองอ่ะ สมมติว่าวันนี้เราจะตายอ่ะทั้งญาติพี่น้องทั้งเพื่อนฝูงเขามาเยี่ยมคนเต็มบ้านก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งอะไรไว้ได้เลยถ้าวินาทีมันจะตายจริงๆมันตายต่อหน้า ต, ต่อตาลูกลูกและห ล, ลานเลยนะชักกระตุกตายไปเลยไม่มีใครที่จะเข้าไปบ่งการได้เลยว่าคุณไม่ต้องตาย ไม่มีชักกระตุกไปเลยใครอุ้มก็ตายตอนขาตีนขามือคนนั้นเลยล่ะมันเป็นลักษณะนี้มันอยู่ไม่ได้การที่อยู่ไม่ได้อาจจะมาถึงอยากจะมาอธิบายว่าสิ่งที่เอาไปได้ให้พวกเราทำคำว่าบุญเนี่ยเป็นทั้ง่ายานพาหนะ บุญนี้เป็นทั้งค่ารับค่าที่หลับที่นอนบุญนี้เป็นทั้งค่าอยู่ค่ากินไปได้ทุกภพทุกชาติเงินเนี้ยใช้ได้เฉพาะเมืองมนุษย์ที่เดียวจะเอาออกไปก็ไม่ได้ถ้าคนเอาเป็นเอาได้นะะก็อย่างโฆษกที่ประกาศวันนี้โฆษกประกาศให้พวกเรา ทำเงินให้เป็นบุญนะวัดสามกีบุญญารามร่วมซื้อที่ดินถ้าสมมติว่าเราซื้อที่ดินถาวายวัดเสียมันก็จะเอาไปได้แต่ถ้าเราปล่อยให้เป็นตัวเงินอยู่เนี่ยยังไม่ได้แลกนี่คือเอาไปไม่ได้แล้วละ่ะเพราะฉะนั้นบุญอย่างบุญซื้อที่ถาวายวัดเนี่ย อยากจะให้ทำทุกคนไม่มากไม่น้อยก็ตามกำลังเพราะมันเป็นบุญที่ยาวนานไม่มีกำหนดนะถ้าบุญตัวเนี้ยอาตมาได้ถวายเป็นธรณีสงแล้วเนี่ยพวกเราไปเป็นกิ้งกือไสเดือนอยู่ที่ไหนก็จะได้รับบุญส่วนนี้อยู่ตลอดนะ ไหเป็นเฉลามอยู่ก้นทะเลก็จะได้รับส่วนบุญอันนี้จุนเทืออยู่ตลอดเพราะมันยาวนานเชเหลือเกินเนี่ยธะณีสงฆ์นี่เอาพูดลงไปมันไม่ไม่มีเสียหายอ่ะบุญมากจริงๆคนละบาดคนละสะดึงให้ทานไปเถอะไม่ว่าแต่ฉะไม่ว่าแต่สามคัคคีบุญญารามเขาประกาศที่ไหน ทำบุญให้กับธรณีสงฆ์เนี่ยบาทหนึ่งสลึงหนึ่งให้ทานไปเลยยาวนานมากอันนี้นะ่ะบุญสร้างถนนก็ยาวนานเหมือนกันนะบุญสร้างถนนนี่ใช้ได้ตั้งแต่คนดีคนชั่วคนเลวคนซ้ำอยู่ในลัทธหมดใช้หมดบุญสร้างสลาสร้างโบุตรเอากต่างออกไปต่างกันออกไป แต่บุญทรณีส่งเนี่ยจะมาอยากจะให้มีทุกคนสมสมน้ำสมเนื้อกับกำลังของตัวเองไม่ต้องมากไม่ต้องมากคนละบาทคนละห้าบาทสิบบาทได้เลยเพราอมเป็นบุญอันยาวนานถ้าเราลืมทำบุญให้กับตัวเองบุญตัวนี้ก็จะหลวอเลี้ยงให้มีความสุขพอระดับหะับระดับหนึ่งอยู่นะแต่ ส่วนที่สำคัญที่สุดอาตมาอยากให้ที่ลงไปที่ใจนะจิตใจนี้เป็นจุดระเบิดที่จะเปลี่ยนเข็มทิศทางใจจากความเป็นปุถุชนเข้าสู่อริยะชนจุดนี้เท่านั้นถ้าเรายืนอยู่จุดนี้นานๆเขาจะระเบิดตุ้มเลยเขาจะเปลี่ยนเข็มทิศทาทันทีเลย เพราะฉะนั้นจะทำตัวเองให้เป็นอริยะชนขึ้นไปได้เนี่ยอยู่ในเมืองมนุษย์ที่เดียวนะออกไปแล้วไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เลยเราถึงอยากจะถามพวกคุณว่าทำอะไรกันอยู่หรือว่ารอใครไม่มีพระเอกขีม้าขาวไม่มีนางเอกขีม้าขาวมานะ เวลาเราจะตายนี่ตายจริงๆตายจริงๆไปจริงๆไม่ได้อะไรจริงๆอ่ะพูดกันแบบสุดๆเลยสามีภรรยาลูกหลานปู่ย่าตายายที่มาเกี่ยวข้องกันอยู่ทุกวันนี้อตาตรมาจะบอกให้ก็ได้ คนที่มาไม่ถึงเราไม่ใช่คนที่สร้างกรรมด้วยกันคนที่มาอยู่ข้างเคียงเรานั่นลหละคือตัวเจ้ากรรมนายเบนตัวจริงแต่ไม่รู้ว่าอาจจะมาอยู่ไปเห็นยายคนหนึ่งเนาะหลานชายต้นก็ติดยาส่วนลูกชายนั้นโอ้โหปฏิวัต ปฏิวัติลูกชายตลอดเวลาเห็นแล้วแอะเลยนะมันดูดยาบ้ามันเสพยาบ้าตลอดพ่อมันแอะเลยจนมันอยู่บ้านไม่ได้มันก็มันก็แอบมาบ้านพ่อมันไม่อยู่มันก็แอบเข้ามาบ้านมากินข้าวแต่ผู้เป็นยายเนี่ย <c oughs> ผู้เป็นยายเป็นหมอนวด นวดมาได้ดแต่ละครั้งก็ร้อยห้าสิบสองร้อยก็เอามาซ่อนไว้พอเจอไอ้เสพยาบ้ามามันก็ควักให้หลานหมดอะควักให้หลานหมดให้มันไปซื้อยาเสพอันนี้เขาเรียกว่าเจ้ากานายเวนมาในลักษณะหลาน เจ้ากรรมนายเวรมาถึงเนี่ยเขาจะจ่ายตลอดเพลยตลอดเลยนะเขาไม่หึงหวงอะไรเลยไม่รู้เหตุไม่รู้ผลอะไรเลยทั้งๆ ท, ที่พ่อของเขานี่ไม่ยอมเลยแต่ยายคนนี้จ่ายให้ตลอดเลยให้ไม่มีข้อแม้เลยนี่คือกรรมมีกรรมต่อกันเจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่เฉพาะสามีภรรยา มาทางลูกทางหลานทางเพื่อนทางฝูงมีมดอ่ะเพื่อนฝูงมานี่เอาไถเท่าไหร่ก็ไถไปให้ไปนั่นคือเจ้ากรรมนายเวรตัวจริงแต่จริงๆแล้วสามีภรรยานี่ก็ตัวจริงนะถ้าเราจะไปถวายสังฆทานอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรไม่ต้องไปวัดเอาอยู่บ้านเรานั่นละ่ะ ซื้อถังเหลืองมาก็อีมานี้มายังพันเตี้ยขึ้นเลยนั่นแหละตัวจริงเจ้ากำไในเนียดดาด่าได้สบายนะด่ากันได้สบายแต่จะไปด่ปดาครอบครัวอื่นไม่ได้นะเขาปรับอันนี้มาโทษ ขว้างถ้วยก็ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นพวกเรามาด้วยกรรมอยู่ด้วยกรรม้วก็จะไปด้วยกรรมทีนี้ผู้หนีกรรมได้คือใครผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงท่านทิ้งกรรมทั้งทิท้งทวนไปแล้ว ให้พวกเรามาเอาตรงนี้อย่าอยากกา่ากลเวเนกวกวคำใครด่าก็ให้เขาด่าไปแสดงถึงเหตุถึงผลที่แท้จริงรับกันไม่ได้ก็คือปล่อยไปแผ่เมตตาให้เขาไปอย่าไปเอาชนะคนนั้นคนนี้เถอะเจ้าเป็นผู้แพ้ไปเรื่อยๆเป็นผู้แพ้ไปเรื่อยๆ คำว่าแพ้ของเรานี่แหละคำว่ายอมแพ้ของเราไปเรื่อยๆนี่แหละเราเราจะไปโผล่ขึ้นเป็นผู้ชนะผู้ยิ่งใหญ่วันสุดท้าย <c oughs> พอเข้าใจไหมแต่ถ้าจะเอาชนะอยู่ตลอดเราจะเป็นผู้แพ้ตลอดไป ถ้าเราชนะตัวเองด้วยการให้ตัวเองเป็นผู้แพ้อยู่แล้วเราจะไปชนะวันหน้าซึ่งเป็นวันที่จะไม่รู้จักคำว่าแพ้อีกเลยพอเข้าใจไหมเอาคุยกันสักหน่อยเนาะใครมีอะไรไหม ถือว่าเราเป็นห่วงพวกคุณมากที่สุดกันแล้ววันนี้นะ่ะเพราะเราอยู่ในที่จเจริญ น, นะทํางานก็มีเงินดําเงินเดือนแต่หนทางที่จะไปยังไม่รู้เลยนะฮรว่าจะไปไหนกันบันทิ่หลังการตายอ่ะไม่รู้จะไปไหนกันขอให้มันรู้จุดนี้สักหน่อยเถอะเป็นรางๆไวเ้เถอะ พระพุทธเจา้าวนบอกว่าพวกกลัวพวกเราลงไปในอบายเดี๋ยวนี้นะใครมีอะไรถามไหมคุยไหมเวลาเวลามันน้อยเนาะเวลาน้อยเอาเอาช่วงใหม่เนาะสักหนึ่งวันหนึ่งคืนคงจะรู้กันอนะ มีใครถามอะไรไหมไม่มีความไม่เทีย่ยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี่แหละมันจะทําให้เราเป็นผู้ไม่รู้ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี่แหละมันจะทําให้เราไม่เหมือนเดิมใช่ไหม ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี่แหละมันจะทำให้เราไม่เหมือนเดิมเอ๊ะไม่มีใครถามมันเกิดอะไรขึ้นอะใจใจที um <sm problem> ่พาจารมาโปรดทุกอกาที่ดีที่สุด้ลยพีจิ เท่านี้ห่วงพวกคุณนะการรักษาจิตใจไม่มีการไม่มีเวลานะกําหนดได้ตลอดเป็นบุญอยู่ตลอดบุญตัวนี้เป็นบุญที่สําคัญมากเป็นบุญที่สําคัญมากเป็นบุญที่มีคุณภาพมากกําหนดอยู่ตลอดอยู่ตลอดหลุ ด, ดบ้างไม่เป็นไรหลุ ด, ดบ้างไม่เป็นไร จำหนดมาอยู่ได้ตลอดครั้งเดียวเลยนีไม่มีแต่บุญนี้เกิดตลอดนะคุณภาพของจิตก็เกิดอยู่อันนี้แหละจะทำให้เราใกล้พระนิพพานเข้าไปเดี๋ยวนี้พวกเราล่อนเลขพระเนจรอยู่ในมหาลัยของพระนิพพานเลยจะเรียนอะไรก็ไม่ตั้งใจเรียนเลยหลวงพ่อวิริยังเอาหลักสูตรมาลง ก็เท่ากับว่าหลวงพ่อวิไลยังในจุงแข็นไปถึงบันไดพระนิพพานแล้วก็ยังไม่ขึ้นอีกนะเอ๊ะมันจะอะไรกันแล้วก็ยังงงอยู่นะเดีนี่นะองค์ไหนที่เทศเรื่องจิตใจอะองค์นั้นคือจุงมือพวกเราไปถึงบันไดพระนิพพานนั่น่ะจากหลวงพ่อวิไลยังี่โอ้โหท่านเทศไว้ดีจริงๆ การประครบประงมพวกเราไปถึงหน้าบันไดพระนิพพานแต่ก็เอาตัวเองไปไม่รอดขึ้นไม่ได้อติบายนี่ก็มาอธิบายแม่นยำเถเะนะก็ขึ้นไม่ได้การปฏิบัติที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องเสมอกับ การปฏิบัติความเพียรอยู่ตลอดๆนั้นคือเหยียบแต่ละขั้นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนะจะบอกให้ชาติไหนาศาสนาไม่ประจำโลกอยู่จะไม่มีบันไดอันนี้เชื่อมจากเมืองมนุษย์ถึงพระนิพพานเลยนะเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่แต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีอยู่หนทางเดียวลทัทธิไหนจะดัง กระหึมขนาดไหนเลิศเลอเพริเกขนาดไหนถ้าไม่ได้อยู่ในแนวของสินสมาธิปัญญาอย่าได้คิดเลยลัฐที่ไหนก็ช่างเถอะต้องเป็นอำนาจของศินสมาธิปัญญาเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่วันตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบอกว่าเอโกมัคโคหนทางเดียวนะท่าน ใครจะมาแสดงตนเป็นศาสตราเอกองค์ใหม่ยังไงก็ช่างเถอะไม่ไม่สามารถไปได้อย่าไปเชื่อเขาเถอะเชื่อพระพุทธเจ้านี่แหละหลักเกณฑ์หลักการพระพุทธเจ้าวางไว้แม่นยำมากถ้าใครมีอำนาจศีลสมาธิปัญญาขึ้นบันไดอันนี้อย่างองอาจเลย ถ้าใครไม่มีอำนาจอันนี้ขึ้นไปเหยียบขั้นเดียวขาเดียวเท่านั้นหงายตึงเลยนะอ้าพร้อมไหมเลยเวลาแล้วสิบนาทีห้านาทีเนาะเรามากันยังไงสาตวุนะครับทนาดมีอะไรสงสัยจะถามหรือจะสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ไหมครับถ้ารุ่นถ้ารุ่นท็อ ไปนิพานได้มีแจกเราจะเอามาแจกเลยนะ <c oughs> ไปกันหมดส <c oughs> ิต่อไปท่านใดต้องการที่จะร่วมทําบุญซื้อทอนีสงนะครับที่ถวายพระอาจารก็สามารถร่วมได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอโอกาสรวบรวมสักแป๊บหนึ่งนะครับบาทหนึ่งสลึงหนึ่งก็ได้นะ <c oughs> ไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้เดือดร้อนอยากให้ได้บุญอันยาวนานไม่ให้เดือดร้อนเลยอย่าไปะอยอย่าไปะอเราให้ทานน้อยอย่าไปอาอใครอย่าไปอาอใครทั้งนั้นมันเป็นสิทธ์ของเราลงทุนไปแล้วไม่มีขาดทุน ไม่มีขาดทุนวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับในโอกาสขึ้นปีใหม่นะครับก็ได้ทั้งธรรมะนะครับได้ทั้งการร่วมทาบุญซึ่งก็มีหลายท่านที่ร่วมกันมาก่อนแล้วนะครับก็ตามอัธยาศัยนะครับตามกำลังของแต่ละท่านนะครับ จะขอเวลารวบรวมอีกสักแป๊บนึงนะครับจะได้ครบถ้วนถูกต้องนะครับในส่วนกิจกรรมของชมรมก็เว้นว่างไปนานนะครับพึ่งมาครั้งนี้ครั้งแรกครับก็ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังกันอยู่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ระวังป้องกันนะครับเราก็ได้สวมหน้ากากอนามัยกันแล้วก็เว้นระยะห่าง ก็ทำตามมาตรการการเฝ้าระวังตามความเหมะาะสมไม่ให้เดือดร้อนนะ ไม่ให้เดือดร้อนแต่อยากให้มีส่วนก็เป็นบุญนันสำคัญเท่าเท่าที่ทราบมาก็คือเป็นที่ที่เป็นทางเข้าวัดเลยทียม่มรคัญทางเข้าวัดตอนนี้วัดก็เจอสองร้อยกว่าไล่แล้วก็เพิ่มอีกเจ็ดไล่เปลี่ยนโง่แห้งทันทีเลย <c oughs> แต่กวนโงเ่เฮงไม่ค่อยดีนะเพราะมีที่คนอื่นมากั้นหน้าอยู่พอเขายกส่วนนี้ขายให้วัดก็โอ้โหโงเห่เฮงวัดร0อยเปอเซ็นเลยนะทั้งหมดมันก็สองร้อยหกสิบเก้าไร่เพิ่มเข้ามาอีกเจ็ดไร่บวก เอย่าไปวัดนั้นวัดนี้วัดบ้านอยู่บ้านเรานั้นเข้ามาวัดในเนี่ยมีอยู่วัดเดียวล่ะจะทำให้พวกคุณเป็นพระอรหันได้เนี่ยมีอยู่วัดเดียวเนี่ยพอเข้าใจไหม การที่เราล่อนเลน่พระเนจรไปมันรูปแบบหนึ่งให้ดูให้ดีนะรูปแบบของความอยากรูปแบบของการผลักดันฝ่ายต่ำอยู่บ้านเราเข้ามาวัดในนี้จบเลยเข้าใจไหม พวกเราล่อนไปไอที่ไปนะั้นมันเป็นวัดนอกนะนั่นะนะวัดนอกวัดในไม่ยอมเข้ามาสิ่งที่ดีๆมันอยู่วัดในเนี่ยอยู่ในใจเนี่ยจิตถ้าเขาไม่หลุดพ้นจากบ่วงของความเป็นอารมณ์เข้ามาอยู่ตามธรรมชาติเขาจะรู้ทำเห็นทำไม่ได้พอเข้าใจไหม กิดข่าปล่อยให้เขาตกอยู่ห่วงเหวของความเป็นอารมณ์เขาจะรู้ทำเห็นทำไม่ได้กิตถ้าเราฝึกให้เขามาตั้งอยู่ที่ฐานโดยธรรมชาติไม่มีการเสพสักระยะหนึ่งเขาก็พอที่จะรู้จะเห็นไปเรื่อยๆม่อคนละคนละด้านกันนะ ถ้าเขาตกอยู่ในห้วงเหวของความเป็นอารมณ์เขาจะรู้จะเห็นไม่ได้เลยแต่าจากการเสพอารมณ์มาตั้งอยู่สักระดับหนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มเกิดความรู้ความเห็นขึ้นจิตดวงนั้นก็จะเป็นจิตที่ถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเราสงสารทวกคุณนะ ไปที่ไหนไกลก็ไม่ได้หน้าที่การงานดีรัดก็จะไปโทษไกลไม่ได้ก็กรรมเรานั่นละ่ะกรรมเรานั่นนะเกษียณไปแล้วก็จะมาโทษตัวเองว่าเมื่อยล้าไม่มีแรงเมาหัวอายุมากก็จะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นอายุกําลังอยู่ในการทํางานเนี่ยควบคู่กันไป ให้กิเลสส่วนหยาบๆมันหลบไปกเกษียณมาแล้วก็ทำงานกับกิเลสอย่างละเอียดให้หลุดหายไปเลยกำหนดไว้อย่าเพิ่งไปต้องการอะไรกำหนดการกำหนดนี่แหละคือดึงกิเลสทุกสายพันธุ์เข้ามาฆ่าที่ใจนี่แหละพอเข้าใจไหมเอาเวลา เวลาขอขากอาจารย์เดี๋ยวรอเจาหน้าที่รวบรวมนิดหนึ่งครับก่ได้คะได้อาจารย์ครับเวลาจะจับอารมณ์เนี่ยครับก็คือดับแล้วก็ดึงมาไว้ที่ฐานนะครับใช่เคถ้าเกิดว่าอารมณ์เกิดมาอีกก็คือออกจากฐานมาแล้วครับถ้าอยู่ที่ฐานอารมณ์มันจะมีสามอย่างนะ อย่างที่หนึ่งคือธรรมชาติเขาออกไปเสพเองอย่างที่สองนี้นคือมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นกับปัจจุบันอย่างมีคนมาด่าเนี่ยหรือว่ามีอารมณ์กโกรธในระยะนั้นเนี่ยมันจะทิ้งอารมณ์ทั้งหมดทั้งมวลเลยมันยืนอยู่ตรงนี้ที่เดียวมันจะฆ่ายัางเดียวนะ <c oughs> กับกับไอ ลืมกระเป๋าตังค์ลืมกระเป๋าตังค์นี่มันจะทิ้งอารมณ์ทั้งหมดเลยครับเขาเรียกว่าอารมณ์อาศัยเหตุปัจจัยอารมณ์หนึ่งนั้นไม่มีเหตุปัจจัยเหมือนกันนะแต่ชุกคิดขึ้นกลางใจทุกอารมณ์ละอารมณ์ที่ธรรมชาติที่เขาเป็นอยู่ ถ้าเราไม่ต่อเขาก็ไปไม่ได้ถ้าเรารู้ทันว่ากํากลังคิดเรื่องนี้อยู่ถ้าเราไม่ต่อเติมนี่เขาไปไม่ได้มันก็จะหดตัวลงอารมณ์ที่ฉุกคิดขึ้นมาก็เหมือนกันถุกคิดขึ้นมาปุ๊บเรารู้ว่าอารมณ์ฉุกคิดขึ้นมาเป็นเรื่องนั้นเราไม่ต่อเขาก็ไปไม่ได้เหมือนกันเขาก็จะหดตัวลงแต่อารมณ์กับเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย เราอยากให้พวกคุณเข้าไปในลักษณะศึกษาอย่าเพิ่งโกรธเข้าใจไหมพออารมณ์โกรธขึ้นปุ๊บเนี่ยเราทําใจเย็นๆมาก่อนอันนี้คืออะไรคนทั้งหลายเขาเพื่ใช้กันใช้กันตรงนี้มานานเสียนานเราก็ใช้มาจนถึงวันเนี้ยแต่เราไม่เคยรู้ความจริงเลยคืออะไรพอเข้าใจไหม อย่าเพิ่งสนองให้มันเป็นคะแนนของกิเลสเราเราเข้าไปศึกษาก่อนพอเรารู้ตัวปุ๊บแค่นั้นนะจะศึกษาเขาตอนนั้นเขาลดตัวหดลงเลยเนะี่ยเขาลดตัวปื๊ดลงไปเลยลองทำดูนะลดให้เห็นเห็นเลยนะอันนี้นะพอเราตั้งสติจับเขาได้เนี่ยเขาจะลดคุณภาพของความโกรธปื๊ดลงเป็นธรรมดาเลย แต่ถ้าเราใช้อย่างเก่าเขาก็จะยันเกปึกเลยนะเขายันเกปึกเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกที่จะต้องใช้พวกเราจะไปพระนิพพานศึกษากันสักหน่อยเขาจะได้แตกกระจายออกไปเขาแตกหลุดออกไปจริงๆไม่ใช่ธรรมดานะ เหมือนกันดูกับมาที่จิตกับมาที่จิตก็ได้นะอาตมาเคยด่านะอยากฟังคำด่าไหมคนที่กลัวผีนี่คือคนสิ้นคิดคนที่กลัวผีนี่คือคนสิ้นคิด ไรสุติปัญญาผีคือใครพวกเราเรียกชื่อให้มันดูดีเฉยๆนะที่จริงพวกเราผีจริงๆผีร้อยเปอร์เซ็นเราจะเป็นฝ่ายหลอกผีมากกว่านะ แต่ก่อนพวกเราอ่ะพากันสวดอิติปิโสบากาวากลัวผีนะเดี๋ยวนี้ผีสวดอิติปิโสกลัวคนอ่ะอะแต่ไปคิดอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาก่าบคำถวายสังฆทานนะครับแล้วก็สร้างจิตนะครับน้อมจิตน้อมใจในการที่ เราจะถวายจตุปัจจัยสมทบซื้อที่ดินนะครับเป็นกรนีสงฆ์วัดส ม, มัคีบุญญารามนะครับขอให้ทุกท่านได้กราวนโมสามจบมจะกราวคำถวายในลำดับต่อไปครับ <S <S นะโมตัสสะภาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พันเตอิมานิพระยมพันเตสังฆทานานิสังฆานานิชาปาริวารานิชาปาริวารานิสีลวันตัสสะสีละวันตัสสะโอนุชยามะโอนุชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสีลวาสีลวาอิมานิอิมานิสังฆานานิสังฆทานานิชาปาริวารานิชาปาริวารานิ ปฏิการหาตุาตอัมหากั ง, งทีคารัตัง ท, ท, งทีตาย ะ, ายะสุขายะขายะ้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข อ, ววอน้อมถวายซึ่งสังฆทาน ทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่ท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลโปรดรับขอท่านผู้ทรงศีลโปรดรับสังฆทานสังฆทานกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของ้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายช่วยเป็นประโยชน์่ย้เป็นประโยชน์ได้ความสุขความเจริญความุความเจริญแก่พเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้ า, าจั ก, าารกรประชโทร um รคมนาคมแห่งชาติและขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลแด่ปิยชน ญ, ญ, ญาติ <s> ทั้งหลายอันมีบิดามารดานนครูอุปชาอาจารย์พร้อมทั้งเทพพาดาเจ้าทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรและด้วยผลบุญกุศลในครั้งนี้นนขอให้เป็นอุปนิสั ย, เ ป, ปยเป็นปัจจัยให้ข้าพระเจ้าทั้งหลา ย, จจยาาได้แจ้งซึ่งมรรผลนิพานด้วยเธิดสถุ ใจที่สมทบซื้อที่ดินนะครับห้ามื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบนะครับถวายกันเทศหนึ่งมื่นบาทนะครับสาธุสาธุแล้วเพื่อนั้น สาธุสาธุสาุ เรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องไปรายงานตัวนะ่ะผิดบันก็ไม่ได้ก็ได้ชื่อนามสกุลออกมาก็เป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นนะ่ะปีใหม่ก็สมมุติเหมือนกันพรที่แท้จริงคือพอรที่แท้จริงคือตัวของเราท่าตัวของเราทำดีเอง พรของพระก็คือเป็นพรที่เป็นคำพูดเฉยๆนะถ้าเปรียบเสมือนวัตถุสิ่งของก็เท่ากับเราใช้น้ำยาล้างมือนี่แหละรูปรูปรูบสักหน่อยมันก็จะหายไปแต่พรที่แท้จริงมากกว่าน้ำยาล้างมือก็คือ้าตัวเองคิดดีพูดดีทำดีเฉพาะ บำรุงรักษาจิตใจเป็นจุดสำคัญจุดนี้คือถ้าใครเข้ามาจุดนี้ความรู้สึกเนี่ยคือบุคคลผู้นั้นกำลังคุยกับตัวเองโดยเฉพาะพอเข้าใจไหมถ้าใครกำหนดให้เป็นความรู้สึกอยู่ตลอดคือ คนคนนั้นกำลังคุยกับตัวเองโดยเฉพาะบุคคลควรที่จะด่ามากที่สุดในโลกคือตัวของเราเองบุคคลที่จะควรสอนมากที่สุดก็คือตัวของเราเองบุคคลที่ควรต่อสู้มากที่สุดคือตัวของเราเอง เราชนะคนอื่นเป็นหมื่นๆเสนแสนครั้งเรายังจะมีวันแพอยู่แต่ถ้าเราเอาชนะตัวของเราคนเดียวเราจะไม่เคยแพ้ใครเลยแล้วก็จะไม่รู้จักคำว่าแพอีกเลย บุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ทำก็ขอให้มีความสุขความเจริญทุกระดับตามที่ให้มานะถวายมาออกจากเมืองมนุษย์ไปขอใช้บุญขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญในชาติปัจจุบันแล้วก็อนาคตชาติทุกทุกชาติไปด้วยเถิสาธุ